ฟังนิทานดีกว่ามั้เมงเข้าใจไมเนี่ยฟังพอเข้าใจไหมนึกออกไหมรู้สึกพูดแล้วบางคนก็ยังมึนๆนึงมีนิทานเกี่ยวกับวันแรงงานอยากฟังไหมอีกสองวันจะถึงวันแรงงานใครได้หยุดบ้างได้หยุดด้วยเหรอเป็นเป็นเลเบอร์ด้วยเหรอ คนใช้แรงงานนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็เป็นเศรษฐีแฝงตัวอยู่มันมีเศรษฐีอยู่เมืองหนึ่งเกิดอฮิวาระบาดเดี๋ยวนี้ไม่มีอฮิวามีอะไร H... อเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน S5N1 ฟเเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้หวัดนกเอ เนะี่ยเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอะไรก็ไม่รู้นะอันไหนนาหน้าตามหลังตามไม่ทันแล้วเป็นไข้หวัดนกใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีหวัดนกก็เป็นหวัดคนนี่แหละคนเมื่อก่อนก็เรียกว่าอาิวาอิวาถ้าคนไทยเรียกอีกแบบนึงนะโรคหาไม่ใช่คําหยาบนะเป็นคําไทยโรคหาโรคหาลงเมืองนั้นเนี่ยโรคอวาระบาด เศรษฐีคู่หนึ่งมีลูกตัวพ่อแม่เนี่ยติดโรคก็เห็นว่าคงไม่รอดก็เลยก็บอกลูกว่าให้หนีไปก่อนจะหนีไปเนี่ยบอกที่ฝังสมบัติเอาไว้ด้วยเมื่อก่อนไม่มีธนาคารใช้มีทรัพย์สมบัติก็ใส่หายแล้วก็ฝังดินเอาไว้บอกว่าใต้ต้นไม้ต้นนั้นนะโคนต้นไม้มีทรัพย์อยู่เท่านี้โกรธ ไม่ใช่ไม่ใช่ล้านเดียวนะเป็นโกดโกดนี่คือสิบล้านก็บอกให้ลูกรู้แล้วก็ให้หนีไปวิธีหนีเนี่ยเขาให้ทำลายฝาด้วยนะฝาเรือนถ้าบ้านยุคนี้เล่นยากบ้านเมื่อก่อนเนี่ยก็ทาด้วยอะไรไม้ไม้ขัดใช่ไหมแล้วก็บางที่ก็เป็นดินเป็นบ้านดินให้ทำลายฝาไปเหมือนเป็นเคล็ดว่าถ้าไปแบบนี้แล้วตัวเองจะรอด ใครที่ไม่มีแรงทำลายฝาเนี่ยแสดงว่าป่วยหมดแรงตายใครมีแรงทำลายฝาไปได้แสดงว่ายังแข็งแรงอยู่ยังมีแรงวิ่งหนีไปได้นี่ก็หนีไปอยู่ชายป่าพอโรคมันสงบแล้วก็หลายปีกว่าจะกลับมาเรียกว่ายังขยาดขยาดโรคอยู่กลับมาก็อา้าวพ่อแม่ตายหมดแล้วตัวเองก็กลับมาจากชายป่าหน้าตาก็ อะไรอ่ะไม่เหมือนคนกรุงอ่ะหนดคราวก็ยาวไอ้จะขุดรัพย์มาใช้เลยเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นเศรษฐีก็เลยเอางี้ก็แล้วกันไปสมัครงานทํางานแล้วก็วันไหนว่างๆก็มาขุดใช้ทีละเหรียญสองเหรียญเพราะตัวเองเคยลำบากมาแล้วอยู่ชายป่าไม่กลัวความลำบากที่จะมีอีกก็ไปสมัครงานสมัครงาน สมัยนั้นงานก็หาง่ายค่าแรงไม่ระบุว่าเท่าไรอาจจะมากกว่าสามร้อยค่าแรงของเขาเนี่ยพอสำหรับเลี้ยงชีพงานของเขาที่ไปสมัครเนี่ยนะงานง่ายมากเลยงานปลุกคนให้ตื่นคนเวลาทำงานเหนื่อยเหนื่อยนอนอาจจะหลับเพลินต้องจ้างคนหนึ่งเนี่ยคอยตะโกนเรียกคนให้ตื่น ตอนรุ่งอรุณหน้าที่นี้หน้าทํานะหน้าทําปลุกคนให้ตื่นเขาบอกทําได้เขาสามารถตะโกนเรียกคนให้ตื่นได้ในคนนี้มาทํางานวันแรกตะโกนเรียกคนให้ตื่นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาที่ตื่นเช้าแล้วมีวิชาดีด้วยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะสามารถฟังเสียงนกเสียงกาเนี่ย ฟังรูปภาษาเขาเสียงคนท่านก็สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงคนนี้เป็นคนแบบไหนเป็นคนรวยเป็นคนจนเสียงมันบอกนะเสียงคนรวยเสียงจะมันแบบหนึ่งเสียงคนจนจะเป็นแบบหนึ่งยวงฟังออกไหม <laughs> เสียงคนกล้าเสียงคนกลัวเสียงคนโกรธคนโกรธพอออกฟังออกใช่ไหม พระเจ้ิมสารนะฟังเสียงอิตานีเนี่ยตะโกนเรียกคนให้ตื่นรู้เลยว่าไอเนี่ยเศรษฐีเสียงมันมั่นใจเสียงมันมีความมั่นใจเศรษฐีรวยไอเนี่ยรวยมาส่งเสียงร้องให้คนอื่นก็ตื่นนี่นะท่านก็ยืนอยู่บนพระราชวัง ย, ยืนอยู่ริมหน้าต่างอะไรเรียกว่าอะไรพระแกหรือพระบรรชร ริมาต่างก็แล้วกันง่ายๆมีนางสนมคนหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยเสียงคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนรวยนางสนมบอกคนรวยอะไรจะมาเรียกคนให้ตื่นอย่างงี้มันเป็นงานของกรรมกรนางสนมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็บอกให้คนไปสืบดูเสียงใครคนก็มาสือบบอกว่าเสียงของยาจกคนหนึ่ง <c oughs> ทราบข่าวแล้วก็มาทูลกับพระเจ้ามิพิ ษ, ษาร พระองค์ผิดแล้วเสียงยาจกพระเจ้ามิสารก็หึหยิ้มไว้อืมรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็ตะกรอนอีกเรียกคนให้ตื่นพระเจ้าวิสารบอก ee, เนี่ยเศรษฐีนางก็ส่งคนไปสืบดูเสียงคนเดิมหรือเปล่าก็คนเดิมนั่นแหละเฮ้ยพระองค์ยาจบ <c oughs> พระเจ้าวิสารก็หัวเราะ ย, ยิม้มคือรู้ว่าไม่รู้หรอกก็เลย รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งวันที่สามก็ทักอีกเนี่ยเศรษฐีจริงๆเชื่อเราเถอะพระเจ้ามีวิสาเนี่ยเป็นพระโสดาบันไม่พูดโกโหกมีศีลห้าเต็มบริบูรณ์มีศีลบริบูรณ์นางสนมท่านนั้นก็ทราบดีแต่สื่อไปแล้วเป็นยาจกอะแต่คำของในหลวงอะศักดิ์สิทธิ์เชื่อ ก็บอกว่าก็หมอนชั้นขอยอมแต่ยอมครั้งนี้เป็นแค่เชื่อขอพิสูจน์ก็หมอมชั้นขอพิสูจน์ขอพระราชทานทรัพย์จานวนหนึ่งมาเพื่อเป็นทุนในการพิสูจน์และลงทุนเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยนะเอาไปด้วยปลอมตัวปลอมตัวเป็นคนเดินทางแต่งตัว ป, นปอนไปนะเดินทางไปก็ไปขอพัก แถวแถวนั้นรู้แล้วว่าสืบมาหมดแล้วว่าแถวนั้นไม่มีที่พักแต่อัเนี้ยแต่คนเนี้ยเป็นโสดห้องว่างไม่ใช่ห้องหัวใจนะห้องพักห้องพักว่างสืบมาหมดแล้วรู้เลยทีแรกก็ไปขอพักกับคนนู้นคนนี้ไม่ว่างไม่ว่างหัวหน้าบอกว่ามีห้องเดียวแหละแต่อีตาแ่นมันโสดก็ไปขอพักกับเขาเขาบอกว่าผมเป็นคนโสดนะเป็นผู้ชายด้วย คุณมาเป็นผู้หญิงสองคนมาพักได้ยังไงขอพักคืนเดียวไม่มีที่พักเลยถามมาหมดแล้วไม่มีใครให้พักเลยขอคืนเดียวเท่านั้นแหละสงสารเถอะออปฏิเสธเท่าไหร่ก็ไม่ยอมประตูงแง่งนิดหนึงก็แท็กตัวเข้ามาเลยวางกระเป๋าเลย <laughs> ปฏิเสธไม่ได้ก็เอาอ่พักก็พักคืนเดียวนะคืนเดียวอคืนเดียวก็คืนเดีย ว, ย ว, ยวพักคืนนั้นเนี่ยก็พักแบบเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษ รุ่งเช้าอิตาลีก็ไปตะโกนเรียกคนบอกเดี๋ยวจะทำอาหารให้ขอขอเงินไว้หน่อยนึงจะเอามาทำอาหารเขาก็เลยให้เงินไอ้ที่เป็นซับที่พ่อแม่ฝังเอาไว้นะเป็นเหรียญเหรียญที่มีตราพิเศษของคนรวยให้ไปถ้าคนทั่วไปไม่รู้เรื่องดูไม่ออกว่าเป็นของเศษงรษฐีก็ให้ไป นางสนมก็เอาเหรียญเนี่ยส่งให้ทางวังเก็บเอาไว้ตัวเองก็เอาทรัพย์ตัวเองเนี่ยใช้จ่ายทำอาหารให้ฝีมือชาววังทำอาหารให้กินนายคนนี้ก็ติดใจพอรู้ว่าติดใจนะเวลาคนกินข้าวแล้วมันอร่อยมันจะมองหน้าออกใช่ไหมพอเห็นว่าคนนี้ติดใจล้วขอพักอีกคืน น, นะ <c oughs> นึงนะเนี่ยนึกว่าวินวิน <c oughs> วินวิน ได้ไประโยชน์ทั้งคู่เคยก็ได้พักต่อฉันก็ได้กินอร่อยเอ้าวพักพักพักไปงั้นเดี๋ยววันนี้ขออีกนะขอตังอีกจะทําอาหารให้เออเอาเอาคุ้มเอาให้เหรียญไปอีกให้ไปให้มาแผนขั้นต่อไปก็คือว่าทําไงจะรวบหัหหหหรวบหางเศรษฐีคนนี้เอามีดมาเลื่อยขาเตียงในห้องนั้น่มีสองเตียง เตียงหนึ่งคือลูกเศรษฐีนอนอีกเตียงหนึ่งคือแม่กับลูกนอนก็เอาเอามีดมาเลื่อยมาเฉาะมาเตาะเตาะขาเตียงของลูกเศรษฐีแล้วก็บอกว่ามีเด็กเข้ามาเล่นลูกเศรษฐีก็บอกอืตั้งแต่คุณมาอยู่เนี่ยนะทําไมเด็กมันมาสนจังเลยอมอย่างนี้แหละถ้าเกิดคุณอยู่เนี่ยคุณก็ล็อกใช่ไหมล่ะ แต่เราอยู่เราล็อกไม่ได้เพราะเราต้องเปิดเข้าเปิดออกเด็กก็เข้ามาเล่นเราก็ห้ามเข้าไม่ได้เด็กมันก็เลยทําให้เตียงมันขามันเสียไปเสียไปเสียมาจนเตียงมันนอนไม่ได้ขาหักเลยทํายังไงดีอลูกเศรษฐีก็กลุ่มใจนางสนมก็บอกหาทางออกให้ไม่เป็นไรมันนอนกับลูกก็ได้เดี๋ยวเขาจะนอนพื้นเองอเอา้านอนก็นอนนอนก็เลยเรียบร้อย เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เลยถูกแผนขั้นต่อไปของนางสนมนะก็คือบอกว่าให้พระราชาประกาศว่าจะทำการเฉลิมฉลองให้ทุกคนเนี่ยประดับประดาหน้าห้องให้สวยงามเขตอื่นก็ไม่ฉลองจนจะมาฉลองเขตเนี้ยเขตที่เขาอยู่เนี่ยให้ทุกคนประดับประดาห้องให้สวยงามหน้าบ้านให้สวยงามอ้าวท่านต้องใช้เงินอีกแล้ว ต้องใช้เงินอีกแล้วประดับประดาก็ต้องเอาเหรียญที่ตัวเองไปขุดมาจากของพ่อแม่เนี่ยเอามาให้ประดับประดาและพระราชาเวลาคนอินเดียนนะเวลาฉลองเนี่ยนะไม่ได้ฉลองวันเดียวนะบางทีเจ็ดวันบางทีเป็นเดือนฉลองเป็นมหรเนี่ยก็จ่ายเหรียญคนนี้ออกไปเยอะเลยคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาก็สั่งให้เรียกตัวลูกเศรษฐีนี้เข้าวังผู้เศรษฐีก็ตกใจชั้นๆมาลีพิด เข้าไปในวังเข้าเฝ้าพระเจ้าวิสานพระเจ้าิวิสานถามว่าเงินนี้ของใครของผมเองอ้าวทำไมมาอยู่กับในหลวงได้นั่นแหละไอ้คนที่ไปอยู่นั่นน่ะไม่ใช่คนชาวบ้านธรรมดานะเป็นสนมของเราแล้วนั่นนะลูกสนมนะตอนเนี้ยเธอเป็นลูกเขยเราแล้วนะบอกมาซะดีๆว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนก็ไปเอาทรัพย์มา เอามากองแล้วมาถามกับชาวบ้านทั้งหลายว่ามีใครมีเงินเท่านี้บ้างบอกไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าเราต้องทำยังไงกับเขาก็คือประกาศให้เขาเป็นเป็นเศรษฐีนั้นอย่าไปดูถูกเลเบอร์นะใครใครมีเลเบอร์อยู่ในบ้านก็ลองฟังเสียงเขาหัดฟังเสียงก็ดู ลนิทานเลเบอร์เฉยๆไม่มีไม่มีอะไรมากนิทานจริงๆที่ต้องการให้ฟังคือเรื่องแรกเรื่องแรกใครมีอะไรสงสัยไหมวันวันหยุดควรจะใช้เวลาถ้าไม่กลับบ้านก็มาสู่สถานที่แบบนี้มาพัฒนาจิตใจตัวเองไปแสดงความเคารพกับญาติผู้ใหญ่แต่ความเคารพจริงๆเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ให้แสดงความเคารพหกอย่างมีคารวะหกอย่างมีคารวะกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คารวะในศีรขาคารวะในในความไม่ประมาทแล้วก็คารวะในปฏิสันถานคารวะหกอย่างเนี่ยอัตมาสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือปฏิสันถานว่าอย่างห้าอย่างแรกเนี่ยพอเข้าใจ นึกออกใช่ไหมคารวะในพระพุทธเจ้าอืมใช่ต้องคารวะพระธรรมอืมต้องคารวะพระสงฆ์ใช่ก็ต้องคารวะในศิกขาศิกขาคือในศีลสมาธิปัญญาก็ต้องคารวะใช่ไหมมันพอจะนึกออกได้ในศิกขาแล้วก็ในความไม่ประมาทใช่ใช่ในความไม่ประมาทนี่ก็ต้องไม่ประมาทแต่ในคารวะในปฏิสันถานทําไมท่านต้องมาเน้นย้าตรงนี้ เอามาอยู่หนึ่งในหกของการคารวะในปฏิสันฐานเข้าใจกัว่าปฏิสันฐานไหมต้อนรับในการต้อนรับถ้าอธิบายง่ายๆเวลาครูบาอาจารย์ท่านอธิบายหรือว่าเวลาสอนนักธรรมเนี่ยนะก็ อ, อธิบายในแง่งว่ายกตัวอย่างว่าพระในลังกามีอยู่วัดหนึ่งโจร โจรปล้นแถวนั้นจนคนเนี่ยไม่กล้าอยู่แล้วโจร น, นั้นเมื่อไม่มีคนแล้วมันก็จะมาปล้นวัดมันก็มาปล้นวัดขึ้นวัดแล้วพระท่านเห็นท่านใช้ให้คนวัดเนี่ยเอาของไปเลี้ยงต้อนรับโจรให้เอาข้าวไปหุงให้โจรเอามีกับข้าวมีผลไม้้วไรไปเลี้ยงโจรทั้งท่านจรู้ว่ามันจะมาปล้นแต่ให้คนไปเลี้ยงต้อนรับ จนก็กินจนอิ่มแล้วถามกับคนวัดว่าอันนี้นี่ใครใช้ให้เอามาบอกเจ้าอาวาสใช้ให้เอามาเรอโอ้ท่านมีน้ําใจดีขนาดนี้ชเชเลืองั้นเราไม่ปล้นท่านละท่านเป็นคนดีขนาดนี้เราจะคุ้มครองเราไม่เรียกค่าคุ้มครองแล้วนะแต่เราจะคุ้มครองให้เองใครจะมาทําบุญที่วัดนี้เราจะคุ้มครองให้ใครจะข้ามน้ําข้ามห้วยมาเราจะดูแลให้ ที่ท่านให้เห็นว่าการปฏิสันฐานแม้กับโจรยังทำให้โจรกลับใจได้แต่ในพระไตรปิฎกจริงๆนะ่ยท่านไม่อธิบายแค่นี้เวลาเราอ่านตารานักธรรมเนี่นะนะมันก็ติดอยู่แค่นี้แต่ในพระไตรปิฎกมีคำอธิบายน่าฟังมากท่านบอกว่าในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยการปฏิสันฐานหมายถึงว่า การเจอกับใครเจอกับใครแล้วเราจะต้อนรับคือมีปฏิกิริยากับเขาในแง่ไหนเจอกับเขาให้เกียรติเขาไหมมันจะมีมันจะมีมะมคาอยู่คำมนึงว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ที่ตรงหน้าเาเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่กาลังทาอยู่ขณะนี้เวลาเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้ขณะนี้ การต้อนรับก็คือมามาเสริมคานี้แหละคือว่าเราเผชิญหน้ากับใครอยู่เราต้อนรับเขาดีแค่ไหนตอนนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้การต้อนรับเสียหายก็คือพวกเจอแล้วก็ ก, กลมหน้าไม่คุยกันจิ้มไปจิ้มมาระวังนะจะทําให้เราต้อนรับคนไม่เต็มที่แล้วก็คนที่อยู่ต่อหน้าเราจะรู้สึกว่าไร้ค่าถ้า เขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเขารู้สึกว่าไร้ค่าเดี๋ยวก็จะทําแบบพระองค์นั้นรู้สึกว่ากูไร้ค่าแล้วกูก็จะไม่อยู่ละแต่กูก็ยังไปไม่ได้เพราะกูยังเป็นแขกของของคนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะหาอะไรฟาดหัว <laughs> เราต้องให้เกียรติกับคนที่อยู่ตรงหน้าต้อนรับเขาอย่างดีให้เกียรติเขาเหมือนเป็นคนที่สําคัญที่สุดในขณะ น, นี้ไม่ใช่เหมือนนะใช่เลย เพราะเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดเราจะดูดีหรือดูเลวคนทั้งนี้แหละที่เขาจะตัดสินเราคนที่ไม่เห็นเราตอนนี้เขาไม่ตัดสินเราหรอกเพราะเราอยู่รับหลังเขาแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ต่อนหน้าคนคนหนึ่งคนนั้นคือคนที่พิเศษที่สุดต้องปฏิบัติกับเขาอย่างดีที่สุดนี่แง่หนึ่งแง่นี้ก็พิเศษมากแล้วได้แง่นี้นะพิเศษมากเลยอีกแง่หนึ่งท่านบอกว่า ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเจริญสติอย่างนี้นะจะมาในแง่นี้ได้ดีมากเลยคือทุกขณะจิตเนี่ยจิตจะต้องเสวย อ, อารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอการที่มันมีการกระทบกันระหว่างอายาตนะภายนอกกับอายาตนะภายในรู้จักไหมเนี่ยอายาตนะภายนอกรู้จักไหมอายาตนะภายในรู้จักไหมอายาตนะภายในมีกี่อย่างหกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจ คู่กับอาณจัตนาภายนอกมีกี่อย่าง6อย่างเท่ากันมันมันจึงคู่กันได้ตาคู่กับรูปหูกับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคู่กับความคิดนึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคอยกระทบกันอยู่แล้วแต่จิตจะมันจะไปเสวย อ, อารมณ์อะไรตอนดูก็ไม่ได้ฟังตอนฟังก็ไม่ได้ดูตอนกินก็ไม่ได้ไม่ได้ดม ทีละขณะมันเอกจารังอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ทีละขณะทีละขณะในกา ร, รเผชิญหน้ากันระหว่างอญญายตนะภายนอกกับอญญายตนะภายในเนี่ยมีจิตเข้าไปต้อนรับอยู่มีจิตตัวรู้เข้าไปต้อนรับอยู่ตอนนั้นนะ่ะให้เคารพในปฏิสันถานตัวนี้ด้วย <c oughs> เริ่มละเอียดมากขึ้นแล้วเนาะ คือรู้ในขณะปัจจุบันที่มันกระทบกันอยู่ถ้าเคารพถึงขั้นนี้ได้พ้นทุกข์พออ่านพระไตรปิฎกจึงเข้าใจโอ้ในปฏิสันฐานสำคัญมากไม่ใช่ต้อนรับคนแล้วนะมันต้อนรับอารมณ์รู้จักคำว่าอารมณ์ไหมจิตคู่กับอารมณ์จิตคือสภาพรู้ อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เหมือนจิตนี่เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์จิตรู้อารมณ์เหมือนโยมตอนนี้ลืมตามองมาเนี่ยอาตมาก็เป็นอารมณ์ของจิตทั้งหลายในที่นี้ถ้าโยมดูข้างหลังเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้ต้อนรับอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิต นี่คือเคารพในปฏิสันถานต้อนรับหมายถึงมีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจิตมันไปให้รู้เวลามันไปมันไปแบบดับจากนี้แล้วไปเกิดที่นู่นก็รู้ <c oughs> จิตมันไปไกลก็รู้ว่าไปไกลไปใกล้ๆ ก, ก็รู้ไปใกล้ๆไปใกล้แค่ไหนมันมีระยะทางท่านเรียกว่าไกลทั้งหมดเหมือนแค่รู้ว่ามือขยับเนี่นะ แช่วับแช่วั บ, บเนี่ยเห็นมือขยับเนี่ยนะท่านก็ว่ามันเคลื่อนแล้วหลวงปู่ดูลก็บอกจิตส่งออกแล้วจิตส่งออกจากรู้ถ้าจะมีการต้อนรับที่ดีมีคาระวะในการปฏิสันถารให้รู้ให้มีสติให้บ่อยที่สุดปฏิสันถารมันบ่อยๆปฏิสันฐารอารมณ์บ่อยๆเห็นจิตนี้มันรับอารมณ์บ่อยๆเคารพในปฏิสันถาร นี่อีกแง่มุมหนึ่งที่นักธรรมตรีมักจะเรียนไม่ถึงตรงนี้เราเรียนเกินนักรำตรีแล้วนะแต่นี่เป็นเนื้อหาในนัก ร, รมตรีคาระวะหกแต่เน้นทำตรีเนี่ยในอธิบายไม่ไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้ทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ในประไตรปิฎกแต่ว่าท่านอาจจะเห็นว่านักทำรรตรีคงจะเป็นพระใหม่เรียนแลนะอีกส่วนมากก็เป็นเนน มันก็เลยให้เรียนแบบเด็กๆไปก่อนตอนนี้ดูหน้าแล้วคงไม่ใช่เด็กแล้วให้เรียนแบบอะไรระดับสูงขึ้นมาหน่อยอย่าง น, น้อยๆการประเชิญหน้าแบบบุคคลให้ต้อนรับให้คาระวะในการต้อนรับอันนั้นคือมีปฏิสันถานกับใครให้คาระวะในปฏิสันถานอันนั้นอยู่กับใครให้เคารพคนนั้นเคารพการปฏิสันถานกับคนนั้น อยู่คนเดียวไม่มีคนมาปฏิสันฐารนมีอารมณ์มาปฏิสันฐารกับจิตให้คาระวะปฏิสันฐารตัวนี้ด้วยตระหนักคาระวะเนี่ยมาจากคําว่าศัพท์มันรากเดียวกับคําว่าคารุหนักแต่หนักตัวนี้ไม่ใช่หนักใจไม่ใช่หนักหน่วงเป็นตระหนักให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับสิ่งที่มากระทบในขณะนี้ ไม่ลืมไม่เผลอใส่ใจให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ต่อหน้าตรงนี้ไม่ลืมไม่เผลอไม่มัวแต่ไปเล่นแพดพอรตหรือเล่นซุงมันมีแพดดูดจิตพอรดูดจิตแล้วก็มีซุงดูดจิตระวังอย่าปล่อยให้มันดูดมากเข้าใจไหมพอมีอะไรสงสัยไหม พอเอาไปใช้ได้ไหมพอมีประโยชน์บ้างไหมแต่ละวันแต่ละวันเนะ่เวลาจะมาพูดเนี่ยนะนึกอยู่เสมอว่าจะพูดอะไรแต่พอพูดแล้วมายอมลง